ตัวพืตัวของตัวดีอย่างนั้นตัวของตัวเองก็เย็นใครเขาจะตงใส่มักผลว่าหมดไปไม่มีอะไรในการตัวพฤ้นปฏิบัติแต่ตัวของเรารู้ตัวของเราเห็นเด่นอยู่ในจิตในใจของเราก็ไม่หลงไปตามลมปากของเขาไม่เชื่อเรื่องของเขาไม่มีอะไรที่จะเอียงเอียงไปตามเรื่องของลมปากของโลกเพราะเราตัวพฤ้นปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดอยู่ในตัวของเรา นี่เป็นพย า, ยานหลักฐานสาคัญหากเราท่านประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นความสุขในตัวของตัวก็มีคนอื่นมาเห็นเขาก็มีความสุขตาสุขใจเพราะอะไรเพราะเห็นของปลายเสดเห็นของจริงเห็นของดีเป็นสมนานานจะทัศนาช่วยเห็นสมนานะผูรังับบาปได้นี่ตัวของเราก็ยังมีบาปเต็มตัว แต่อยากจะให้เขาสักการะบูชาอยากจะให้เขากราบเขาไหว้อยากจะให้เขาสั่รเสวนยนยออย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวของตัวเองโอตมีตัวของตัวได้มันมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับคารวะเขาอย่างนั้นมันใช่ไม่ได้จริงว่าพระปลอมหรือเตะในเครื่องแบบพากันระวังรักษาทีนี้พิจารณาเพราะสถานที่ ของเราก็สงบสงัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทั้งกัางวันกัางคืนเหนื่อยในการนั่งจะไปเดินในร่มในเงาที่ไหนก็พ อ, พอไปหาเดินได้อย่างสะดวกสบายเหนื่อยในการเดินจะมานั่งกําหนดจิตกําหนดใจก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องวุ่นวายนอกจากกิเลสตัณหาภายในใจของตัวเท่านั้นกิเลสตัณหาก็บอกแล้ว ว่าต้องมีสติมีปัญญากำหนดรักษามันชิดปรุงไปทางนอก บ, บอกมันว่าเป็นทางชั่วทางเสียอย่าไปติดตามอย่าไป ค, ไปคนคิดค่ะฝึกตัวได้อย่างนี้ก็จะมีความเทียนอยู่ตลอดเวลาการชำระใจต้องชำระด้วยสติด้วยปัญญาความเชียน สิ่งสำคัญก็คือสติปัญญาเป็นสันในสัตยธรรมขาดเราเร่องจิตใจเศร้าหมองให้ฟองไปให้ตกไปได้ถ้า ม, มีสติปัญญาไปรักษาตัวจะเหตแต่คนอื่นรักษามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปดนได้พวกพุทธเจ้าขนข้ามไปหมดไม่มีสันโลกข้างอยู่ต่างคนหรือต่างสัตว์ก็จะไป ตามพระพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าสร้างบาลานีเพื่อจะขนสัตว์ออกจากโลกมีพวกเราเหลือล้อมาก็ไม่เชื่อในท่าโอวาทของพระพุทธเจ้าเห็นกิเลสตัณหาเป็นศาสดาเหนือกว่าพระพุทธเจ้าไปเชื่อแต่เรื่องของกิเลสตัณหาจิตใจก็ะแผดเผาเราร้อนอยู่อย่างนี้จะควรเชื่อต่อไปหรือไม่ควรสอนใจคลองตัวฝึกตัวคล่องตัว ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะระบชัวบาเพ็ญดีให้ทวีคูณได้มีการฝึกอบรมใจให้เอาใจใส่ต่างใจปฏิบัติจึงจะได้ชื่อว่านักปฏิบัติกรรมฐานส่นทรส่นสื่อลรือ น, นามว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ตัวของเราเป็นไป ต, ตาม ทำกันและเสริญเยนยอเขาหรือไม่ทำเตียนไปไม่ละอายเขาหรือหาทางแนีสอนตัวฟ้องตัวสม่ำเสมอพอตักเตือนในด้านปฏิบัติเึื่อฝึกหักตัวอย่างนั้นทุกคนก็จะบระสบความสุขความสบายอ่านอธิบายทำผมเห็นว่าพอสมควรเสีเวลาพอยยึิตอย่างนี้น วันนี้จะไอธิบายธรรมะด้านปฏิบัติสู่กันฟังเพราะวันนี้เป็นวันอุโบสถตามบ้าอุโบสถก็คือวันเราไปสงบท้องใจปกติจิตใจของเรานักเคลื่อนและเหงือเรื่อตนไปตามปัญญาลมต่งาง เราเนี่ยกำหนดที่นี่จะจะนนที่เจริญนาจิตใจจะไม่มีวันเวลาที่จะหยุดพักได้เดือนนั้นวันอุโบสถท่านจึงว่าเป็นวันสงบจิตคือห้ามคิตไม่ให้ไป น, นึกคิดปรุ ง, รงใจเรื่องการงานภายนอกใช่วเลิกนึกคิดในเรื่องของธรรมของยุ น, นัย เพราะเราต่างหน้าเข้ามาสู่วัดวาศาสนาสละจิตเจกานบนเรียนของเราเข้ามาเพื่อจะหาความสุขของจิตเมื่อจิตมาได้ ร, รับความสุขจึงภายนอกหัวไปปัคอยพุกไปด้วยเดิดนนั้นจิตจนเป็นของสำคัญ วัที่เราทุกท่านจะต้องฝึงออกฝนอบรมในเรื่องของจิตคนนายตายของเราเป็นเ่าจุดเม็ดจุดอย่างเราตายรายจานั้นอยากจะพูดไปอย่างนั้นตรวจนั้นการลางนับจิตไว้ไม่ให้เมดจิตไปในทางชั่วแล่วล่าเม็ดเม็ดอยู่แต่ในทางที่ดีผ่านจึงว่าเป็นการฝึกจิต การฝึกจิตมีหลายวิธีที่พวกเราตัวตองนํามาฝึกเราจะฝึกโดยการกําหนดร่างกายทั่วไปให้จิตใจของเราท่องเที่ยวอยู่ในตนะกอนร่างกายของเราก็ได้เพราะร่างกายถ้าหากจิตของเราท่องเ ท, ที่ยวอยู่ในตัวของเราคือร่างกายอยู่แล้ว ความรอดความกวดความหลงในสิ่งอื่นย่อมไม่เกิดขึ้นหรือจะฝึกในการบริกรรมทำความารู้สึกในบททำอย่างไรอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราจะบริกรรมพุทโธธ ร, รมโมสังโฆหรืออรหังเจอาสาโลมาอะไรได้เท่านั้น ความจิดของเราเ้าอยู่กับความโมเลรุลเราเลออดออ็ดเล็ดอยู่เมื่ส่งกระแสจิตออกไปจิตนล็กอันอืน่นเมื่อเราเปิดจิตได้อย่างนั้นใจของเราจะสงบ ด, ดาบอารมณ์สัญญาภายนอกเ้าอยู่กับความโมเลกุมเมื่อความโริลมุกับจิตได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความ เรกคิดปรุงแต่อองอันอืน่นก็จะห า, ายไปใจก็ได้รับความสงบอยู่กับคําบริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องของการฝึกจิตการฝึกจิตบนหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนจะต้องฝึกฝนอบรมตนนิสสาคนอื่นจะตึกให้ถ้าหาเราฝึกจิตของเราดีแล้วเรื่องอันอืน่นสิเค้ายุ่งเหออยิงหรืเอเคย เป็นอารมณ์สัญญาเป็นกระทั่งว่าเกิดความโรบโกรหลงขึง้นก็จะหายไปเพราะใจขพงเราสงบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการศึกษิยึดใจเป็นของสำคัญเป็นผู้นำของตายของวาจาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่นี้นำ่ำสอนให้นักปฏิบัติ ปฏิบัติด้านจิตใจให้รู้ให้เข้าใจเรื่องจิตของตนเสียก่อนเมื่อหากเราฝึกตัวของเรายังไม่ได้จะไปสุกคนอืน่นมันก็ไม่ได้อยู่เองเหตุนั้นขอ้อสำคัญจึงควรฝึกตัวของตัวให้ดีเสียก่อนจึงจะแนะสอนลูกหลานต่อไปได้การสุกจิตเป็นหน้าที่ของเราและเป็นเรื่องที่จำเป็น ทุกท่านทุกคนจะต้องฝึกฝนอบรมเพราะจิตดีอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะต้องเป็นผู้ดีต่อไปได้ถ้าหาจิตไม่ดีจิตเสียจิงอินพลอยเสียไปด้วยตายดีดีก็เลยตัดตายเป็นของทั่วไปวาจาที่ดีก็เลี้ยวแหลกไปเสียหายไปพราจิตใจไม่ดี เกตัอย่างต้นจิตใจของเราโกรธจนต้นย่อมแสดงอาการทางตายมีหน้าดำตาแดงไฟรีวิจาที่พูดออกมาก็ไม่เป็นสารประโยชน์เพราะความโกรธของจิตอย่างเดียวทำตายทำรีวิจาให้เสียหายไปเมื่อจิตใจของเราหาจากความโกรมีความเมตตาสงสารมีความสงบเยือกเย็น หนา้าตาของเราก็ยิ่งแย่แย่นใส่ายจากของเราที่ปูดออกไปก็เป็นสาระประโยชน์ผู้ฟังก่อแพลระเสนโสดของผู้ฟังเพราะจิดดีอย่างเดียวทําตายทําลายจากเห้ดีตัด้วยส่วนนั้นการฝึกจิตจึงจนของสําคัญที่พวกเราทุกท่านจะต้องฝึกฝนจิตก็ดีได้ก็เพราะอาศัยการฝึกฝนอบรมทางหากในฝึกฝนอบรม มันก็ดีไปในด้ า, ดานการฝึกฝนอบรมมีหน้าที่ที่เราจะต้องพยายามธรรมดาจิตทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะจิตของเราจิตของพระพุทธเจ้าหรืออริยส า, าวกก็เหมือนกันในเมื่อท่านยังมาเดิอบรมฝึกฝนท่านก็นื้ชืดอจิตตามเรื่องอารมณ์ต่างๆยุ่งเหยิงเป็นภัยอันตรายแก่ตนและคนอืนอ่นสัตว์อื่นตอเมื่อท่าน พยายามฝึกฝนความนวายของท่านจนอย่างใส้าถึงท่านสงบแนบเนียนไม่มีเวลาที่จะแพร่จะจายความทั่วออกไปสู่คนอื่นหรือสูตัวของตัวท่านจึงได้รับความสุขเกี่วยว่าบสันติสุขคือความสง บ, บของจิตจนความสุข คอนักปาชทั่วไปปราชญนาความสุขอันอื่นถึงเราเคยไะศบกพบมาไม่ว่าความสุขในตารหลับตานอนความสุขในตานอยู่การกินความสุขในตออารมณ์ต่างๆความสุขอันนั้นเปความสุขนิดหน่อยเล็กน้อยไม่ใช่ความสุขที่ยิ่บนไม่ใช่ความสุขที่ประเสิฐเลือนลอยออกไป มีความทุกค์ข้ามล้อมอยู่ทุกการทุกสมัยความทุกข์ไม่พอต่อความต่องตาของเราถ้าหาที่นิิพาจนจริงจังแล้วความทุกข์ส่วนนอกเป็นความทุกข์ปลอมเป็นความทุกระยะจะสั้นชิดนิดหน่อยความทุก ข, ข์ทางใจคืออบรมธรรมะเอาไว้ มีจิตใจขอดค้อนจากที่เหลือตันหาอุปาทานเป็นความสุขที่พระสารดบาจารย์ส่งสัญลักษณความสุขส่วนนั้นทุกท่านทุกคนยังไม่มองเห็นเนแต่ได้ยินได้ฟังจากท่านผู้อื่นก็ไม่ได้ละเลิกน้อยิอยากจะได้มาสู่ตน เพราะยังไม่เห็นผลเหมือนกันกัว่าอาสารที่เรายังไม่เคยรับประทานไปยินไปเพรว่าอร่อยๆแต่ตัวของตัวเองยังไม่เคยรับประทานว่ามันมีรสชาติเป็นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นความนิยัตหายหรือความอยากในรสชาติอย่างนั้นก็ไม่เป็นของสำคัญเท่าไหร่เพราะเราไม่เคยได้ฝึกโดยฉันได้อยู่ได้กินจึงใด้ที่เราเคย รับประทานมาเคยกินมาดังนั้นแหละเราชอบเราจิดใจเราคิดเราเน้นเราอยากได้ดควยคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านพูดถึีงตามปุกจิตว่าเป็นของยิสวดไปเสดเป็นของตกเลื่อนลอยจากโลกทั่วไปเรายังไม่เคยประสบพบหนก็ไม่ อ ย, ยากหนักอยากหนาเท่าไร<ม>ความคือในอยากของเรานั่นแหละหมายคือว่าเราไม่มีศรัทธาคือไม่มีความเชื่อเพียงพอบริบูรณความไม่มีศรัทธาต้าหทานในาจที่จะอยากได้อยากถึงอยากเห็นอยากเห็นจิตใจของเราจึงส่งกระแสเปลส่ยนไปสู่สอารมณ์อันใหม่เพราะความ ศรัทธาในใจคือความเชื่ออย่างไม่พอเสวยนั้นทรงบารงศรัทธาคือความเชื่อของใจคิดว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรเลือดบาดอะไรออกไปส่วนของจริงทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าองค์ไม่ได้โกหกโกกลมอย่างคนภายนอกเสนั้นเราจรึงควรเชื่อคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจา้า เอาธรรมะที่ครูบาอาจารย์หรือตาหรักตาราบอกไว้เข้ามาสู่กายสู่ใจของเราเมื่อเราเอาธรรมะเข้ามาฝึกอบรมใจชื่อเคยเร่าร้อนกวลกวาวลนี่ธรรมเข้าดับธรามร้อนอันนั้นจิตใจของพวกเราทุกท่านที่เคยเสียดสนกังวลกังวาก็าจะกลับกลายเป็นจิตใจเย็นเยนเ็นสนุก ข, ขึ้น พอเราประสบพบความสุขจากความสงบของใจที่ไม่เคยพบเห็นมาแต่ไหนแต่ไรแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุ บ, บันมาประสบพบเข้าในเมื่อเราเอาธรรมะเข้าฝึกอบรมหรือเราตั้งใจปฏิบัติจะบริสุทตามหรือที่นิจจารณาลางทางทั่วไปไม่ให้ใจิตใจใสแก่ไปที่อื่น ส่วนขนขนคือความสงบเกิดขึ้นอย่างนั้นศรัทธาคือเรายังไม่มีคือยังไม่เชื่อว่าความสุขของใจจะมีความสุขขนาดไหนพอใจ ไ, ไปไประสบความสุขเท่า น, นั้นเกิดความเชื่อแน่นอนขึ้นความนมึกคิดปรุงแต่งเรื่องอันอืน่นซึ่งเคยประสบพบมาว่าเป็นทางสงบสงบว่าเป็นทางสุข ทางสบายแต่ถ่ามาพบหยุดที่หยุดลงแต่งจากอารมณ์ขาจากสัญญาอารมณ์ภายนอกมาสงบอยู่กับธรรมมีความสุขขนาดไหนเราเห็นด้วยใจของเราเองเราด้วยความประทบำบมาเพ็ยของเราศรัทธาความเชื่อที่ไม่เคยมีด้วยมีในเป็น นึกขาดละขาดตอนก็จะเกิดขึ้นจนทีถึ่จนฐานเป็นอ จ, จะระาศาัทธารจตชาที่แน่นอนไม่พรานแพร่นเชื่อมั่นประการฝึกขนาดนี้ได้รับผลความสุขความเยือกเย็นขนาดนี้เมือ่อฝึกไปยิ่งชังยิ่งฝ่ น, นี้ความสุขของใจก็จะต้องทวีคูณขึ้นไปพอใจได้รับความสงบเท่านั้นแหละ เป็นเพื่นเธอที่จะให้พวกเราผูกเป็นนัดปฏิบัติมีต้นคุณหนุนความชาความเพียรของตนให้สร้างารต่อไปเหวดนั้นการฝึกใจจึงเป็นของสำคัญพวกเราทุกท่านควรจะฝึกควรจะทีนี้ที่จะรายมาบุญกุศลก็คือคามสุขคามสุขก็คือความสงบของจิตถ้าหากจิตไม่มีความสงบ มีความโลภโศาแขงคามโกรธโศกแขงความหลงโศาแขงอยู่ก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสุขความสบายได้เหมือนกันกับร่างกายที่เกิดโรคไข้ไข้เจ็บไม่มีวิญญาณบทใดที่จะมีความสุขความสบายได้จะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขจะยืนจะเดินก็ไม่เป็นสุขเพราะ โรคภัยเบียดเยียนตายจิตใจตก็เหมือนกันเมื่อมีความโกรความโกรธความหลงหนักเข้าจิตใจของเราก็ไม่ได้รับความสุขจะอยู่สถานที่ใดเป็นทุกข์เพราะที่เลือดส่วนนั้นเฉีดเผาเฉียนั้นการสงบระงับดับที้เลืยดยิงเข็มแทงที่นําความสุขมาให้จิตใจของเราที่จะได้รับความสุขก็เพราะที่เหลือด ไม่ไดาเบียดเบียนจิตใจเถิดนั้นตามสัมไรเฉลวตัญหาจึงเป็นมา้ที่ของทุกท่านทุกคนจะต้องไะทำบำเพ็ญเข้เกลือให้าชนญแก่ตัวของตัวไม่เช่นนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาอย่าเข้าใจว่าอายุเกลือเข้าไปเข้าเข้าไปความนึกคิดใ จ, ใจิตใจจะเยือกเย็นไปเองอย่าไปนึกไปคิดอย่างนั้นหินธรรมจะไหลามาเองความสงบส ง, บสงบัดสวรรค์ฌานจะตก มาสู่เือ ม, มือของเราเองหากไม่เคล็ดอย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะไปศกพบเห็นความจริงจะเป็นหญิงเปนชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสถ้าหากไม่ประพฤตปฏิบัิใช่เนให้ไปเรื่องท้องใจก็จะต้องรุ่มร้อนกระวนกระวายอยู่เรื่อยไปเสียเท่าไรกพยิ่งมีอารมณ์มาก เคยเห็นคนเจอือบน่นว่านอนไม่หลับกินไม่อร่ อ, รอยเพราะเหดื่อใดเพราะใจมันปรุงเราปรุงมากเท่าไรนอนก็ไม่หลับคนธรรมดาท่านันอย่างนั้นเด็กขาดขันของเขาดีกินได้นอนหลับสบายตามนึกคิดของเด็กก็ไม่มากเหมือนผู้เข้าผู้เจอือเขาจึงหลับได้ง่ายอย่างสบายสุตัวของเราคนเจอือไม่เป็นอย่างนั้นนึกคิดจิดตามอารมณ์ต่างๆนานะ ไม่มีวันมีเวลาที่จะสะงบได้เรืดนั้นเรื่องใจที่เราไม่คิดใจแต่ในอารมณ์ต่างๆเราได้คิดมาเป็นเวลานมนานในตามในเวลาที่เราเข้ามาวัดมาวามาทรางคำจำศีลพยายามอบรมจิตของต น, นใ้เยือกเย็นเข้าสงบนั่นแหละเป็นถนนคนทางที่จะนําความสุขความสบายมาให้เพราะใจต้องอาศัยการฝึก การอบรมเหมือนการตายครับไม่ฝึกไม่อบรมใจต้องมีความรู้ความสะความสงบเย็นเย็นกาอยู่ได้โดยอาหารใจอยู่ได้โดยธรรมถ้าหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยามีธรามเป็นเครื่องรักษาไม่มีธรรมเป็นอาหารของจิตใจก็ต้องทำคิดให้โดยรับความเดือดร้อนกังวลกวายอยู่กันทั้งจนถึงมันตาย เกน้นในเมื่อเวลาพวกเราท่านยังมีชีวิตอยู่ทิ้งอุตสาหรพยายามสร้างพลังความดีให้ใจเข้ไปเยียวยนจนสุขในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ทิ้งชาวป่วยไข้ริดทิ้งชาวมรณะภัยเข้ามาถึงอํานาจที่เราเคยติดผลอบวมตนของตนให้ได้รับตามสุขความสบาย ในเวลาใครอันตรายคือมรณะตามตายของมรจิเราก็จะไม่เสียใจเพราะใจของเราจนทันหนึ่งตายของเราเป็นอันหนึ่งตายกับตายเป็นสอตายใจซึ่งเนผู้เหนืตายยังเหลืออยู่และเนใจที่หยาดเยินเปนสุขเพราะไม่ห่วงไม่หวงในเรื่องของหลางตายส่วนนั้นท่านผู้จะเพืปฏิบัติจนถึงสิ้ขชั่นชาม หมดเรือยท่านจึงไม่จนปัญหาในการอยู่และการตายทั้งหมดนวกเราทางหา่างยังไม่ถึงที่อตุกยมุติพานคื่อจิตใจของเรายังฟุ่งสา่านยังหาความสุขจากใจไม่ได้ก็คิดจะเอาความสุขจากเรื่องของตายแต่ตายเป็นของไม่กี่รังอย่างยืนตายเป็นของเกิดขึ้นแต่แปรปวนและและตกสลายเกิดนั้น จะไปเอาความสุขจากตายจ่งไม่มีวันมีเวลาที่จะไปสบเพรบถเหนมีความสุขเพียงนิดหน่อยเล็กน้อยเพราะนั้นเถิดนั้นชงชาตันที่นี่พิจารณาทำความสงบของใจเอาไว้เพราะเราเข้ามาสู่วัดว า, า, าสถานเพื่ออรวมศึกษาจีนทรามาสึกความสุ่งสา่นของจิตให้สงบระงับมาสึก ความโง่ของตนให้เป็นตนสลอาดมาฝึกความชะนองของใจขห้เป็นใจสงบหลั่งลับตรวดนั้นการฝึกจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนจะต้องฝึกฝนอกลมเมื่อต่างท่านต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติต่างทำหน้าที่ของตนเพื่อฝึกฝนจิตใจให้เราไปสู่ความสงบเยือกเย็นได้ก็จะมีความสุขความสบาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าตัง้งนั้ น, านการอธิบายธรรมะกา่อธิบายไปมาก็าเป็นเวลาบด็กดืนแล้วเนื่อาวอกศาราการอธิบายธรรมะขอท่านผู้ฟังทุกคนจงมีความสุขความเจริญทุกส่วนหน้เทวิเว